สังคยนาการซักซ้อมทบทวนพุทธพจน์การสังคยานาคืออะไรในเมื่อการดำรงรักษาพระพุทธพจน์เป็นสาระของการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาอย่างนี้จึงถือเป็นความจำเป็นและสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่จะดำรงรักษาพระพุทธพจน์ดังนั้นความพยายามรักษาพระพุทธพจน์จึงมีตลอดมา ตั้งแต่พุทธกาลคือตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ตอนนั้นก็ปลายพุทธกาลแล้วนิครนธ น, นาตาบุตรผู้เป็นศัสดาของศาสนาเชนได้สิ้นชีวิตลงสาวกของท่านไม่ได้รวบรวมคําสอนไว้และไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ชัดเจนปรากฏว่าเมื่อศัสดาของศาสนาเชนสิ้นชีวิตไปแล้วสาวกลูกศิษย์ลูกหา ก็แตกแยกทะเลาะวิวาทกันว่าศาสดาของตนสอนว่าอย่างไรครั้งนั้นท่านพระจุนพระได้นำข่าวนี้มากราบทูลแด่พระพุทธเจ้าและพระองค์ได้ตรัสแนะนำให้พระสงฆ์ทั้งปวงร่วมกันสังยนาธรรมทั้งหลายไว้เพื่อให้พระศาสนาดำรงอยู่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขแก่พระหูชน เวลานั้นพระสาวริบุตรอครสาวกยังมีชีวิตอยู่คราวหนึ่งท่านปรารพเรื่องนี้แล้วก็กล่าวว่าปัญหาของศาสนาเชนนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้รวบรวมร้อยกรองคําสอนไว้เพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงของพระพุทธเจ้าของเรานี้ควรจะได้ทําการสังคายนาคือรวบรวมร้อยกรองประมวลคําสอนของพระองค์ไว้ให้เป็นหลัก เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อปรารภเช่นนี้แล้วพระสารีบุตรก็ได้แสดงวิธีการสังคยนาไว้เป็นตัวอย่างเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระสงฆ์ประชุมเฝ้าพร้อมอยู่โดยท่านได้รวบรวมคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นข้อธรรมะต่างๆมาแสดงตามลําดับหมวดตั้งแต่หมวดหนึ่งไปจนถึงหมวดสิบ เมื่อพระสาวรีบุตรแสดงจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานสาธุการหลักรมที่พระสาวรีบุตรได้แสดงไว้นี้จัดเป็นพระสูตรหนึ่งเรียกว่าสังคีติสูตรแปล ง, ง่ายง่ายว่าพระสูตรว่าด้วยการสังคยนาหรือสังคีติมีมาในพระสุตตันตปิฎกที่ฆะนิกายวิธีรักษาพระพุทธพจน์ ก็คือการรวบรวมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วจัดหมวดหมู่ให้กำหนดจดจำได้ง่ายและซักซ้อมทบทวนกันจนลงตัวแล้วสวดสาธยายพร้อมกันแสดงความยอมรับเป็นแบบแผนเพื่อทรงจำสืบต่อกันมาวิธีการนี้เรียกว่าสังคยนาหรือสังคีติซึ่งแปลาตามตัวอักษรว่าการสวดพร้อมกัน คือจากคำว่าสังแปลว่าพร้อมกันบวกคายณนะหรือคีติที่แปลว่าการสวดคำว่าสังคยนาเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษมีใช้หลายคำบางทีก็ไปเทียบกับแนวคิดแบบตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักเรียกการสังคยนาเป็นวุฒิศีาวซิลในทางกลับกันคำว่าค้าวซิลเช่นวัติการ้าซิลในศาสนาคริส เราก็แปลว่าสังคยนาความหมายของทั้งสองคานี้เทียบกันได้ในบางแง่แต่ที่จริงไม่เหมือนกันเลยการประชุมของศาสนาคริสต์เป็นการมาตกลงกันในเรื่องข้อขัดแย้งด้านหลักคำสอนและแม้กระทั่งกําหนดหลักความเชื่อระหว่างนโยบายในการเผยแผ่ศาสนาของเขาแต่การสังคยนาในพระพุทธศาสนา เป็นการรักษาคำสอนเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ให้แม่นยำที่สุดไม่ให้ใครมาเที่ยวแก้ไขให้คลาดเคลื่อนหรือตัดแต่งต่อเติมตามใจชอบเราเพียงมาตรวจทานมาซักซ้อมทบทวนกันใครที่เชื่อถือหรือสั่งสอนคลาดเคลื่อนหรือผิดแผกไปก็มาปรับให้ตรงตามของแท้แต่เดิม ปฐมมสังคยนาแม้ว่าท่านพระสาวริบุตรได้แสดงตัวอย่างวิธีการทำสังคยนาไว้ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่จะทำงานนี้ต่อเพราะว่าได้ป ร, รินิพานก่อนพระพุทธเจ้าแต่ก็มีพระสาวกผู้ใหญ่ที่ได้ดำเนินงานนี้ต่อมาโดยไม่ได้ละทิ้งกล่าวคือพระมหากัสปะเถระซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าป ร, รินิพานนั้น เป็นพระสาวกผู้ใหญ่มีอายุพรรษามากที่สุดพระมหากัสปะเทระนั้นทราบข่าวปริณิพานของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปริณิพานแล้วได้เจ็ดวันขณะที่ท่านกำลังเดินทางอยู่พร้อมด้วยหมูลูกศิษย์จำนวนมากเมื่อได้ทราบข่าวนั้นลูกศิษย์ของพระมหากัสปะจำนวนมากซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ได้ร้องไห้คร่ำครวญกัน ณที่นั้นมีพระภิกษุที่บวชเมื่อแก่อองหนึ่งชื่อว่าสุพัทธะได้พูดขึ้นมาว่าท่านทั้งหลายจะร้องไห้กันไปทำไมพระพุทธเจ้าปรินิพพานี้ก็ดีไปอย่างคือว่าตอนที่พระองค์ยังอยู่นั้นพระองค์ก็คอยดูแลคอยกวดขันตรัสห้ามไม่ให้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้แนะนำให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกเราก็ลาบาก ต้องคอยระมัดระวังตัวทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนี่พวกเราคงจะทำอะไรได้ตามชอบใจชอบอะไรก็ทำไม่ชอบอะไรก็ไม่ทำพระมหากษัตรเย์เถระได้ฟังคำนี้แล้วก็นึกคิดอยู่ในใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปใหม่ๆแค่นี้ก็ยังมีคนคิดที่จะประพฤติปฏิบัติ ให้วิปริตไปจากพระธรร ม, มวินันท่านก็เลยคิดว่าควรจะทำการสังคยาท่านวางแผนว่าจะชักชวนพระเทระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีอยู่สมัยนั้นซึ่งล้วนท่านเห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังคำสอนของพระองค์มาโดยตรงและได้อยู่ในหมู่สาวกที่เคยสนทนาตรวจสอบกันอยู่เสมอ รู้ว่าอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะชวนให้มาประชุมกันมาช่วยกันแสดงถ่ายทอดรวบรวมประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตกลงวางมติไว้ก็คือคิดว่าจะทำสังคยาาแต่เฉพาะเวลานั้นท่านต้องเดินทางไปยังเมืองกุสินาราแล้วก็เป็นประธานในการถวายพระเพงพระพุทธสรีระ ในพระราชาประมของกษัตริย์มละทั้งหลายเมื่องานถวายพระเพลิงเสร็จแล้วท่านก็ดำเนินงานตามที่ได้คิดไว้คือได้ชักชวนนัดหมายกับพระอระหันต์ผู้ใหญ่เพื่อจะทำการสังคยนาต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของงานใหญ่แห่งการสังคยนาซึ่งมีการเตรียมการถึงสามเดือนก่อนที่จะประชุมที่ถ้ำสัตบัญูรหาณภูเขาชื่อเวภาระ นอกเมืองราชครืในพระราชูประถมของพระเจ้าอาชาศัตรูในการประชุมนี้พระมหากัสริเทระทำหน้าที่เป็นประธานโดยเป็นผู้ซักถามหลักคำสั่งสอนซึ่งพระพุทธเจ้าเองทรงแบ่งไว้เป็นสองส่วนเรียกว่าธรรมส่วนหนึ่งและวินัยส่วนหนึ่งธรรมหรือธรรมะคือหลักคำสอน ว่าด้วยความจริงของสิ่งทั้งหลายพร้อมทั้งข้อประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำตรัสแสดงไว้โดยสอดคล้องกับความจริงนั้นส่วนวิัยคือประมวลพุทธบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆในการเป็นอยู่ของภิกษุและภิกษุณีด้วยเหตุนี้จึงเรียกพระพุทธศาสนาด้วยคาสั้นๆว่าธรรมวิไน การสังคายนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการสังคายนาพระธรรมวินัยในการสังคายนาครั้งนี้มีการเลือกพระเทเรสององค์ที่มีความโดดเด่นในการทรงจำพระพุทธพจน์ได้แม่นยำและเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของพระธรรมวินัยฝ่ายธรรมะนั้นผู้ที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา เพราะติดตามพระองค์ไปอยู่ใกล้ชิดเป็นผู้อุปถากของพระองค์ก็คือพระอานนที่ประชุมก็ให้พระอานน์เป็นผู้นําเอาธรรมะมาแสดงแก่ที่ประชุมส่วนด้านวินัยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระอุบาลีไว้ว่าเป็นเอตัตคะที่ประชุมก็คัดเลือกพระอุบาลี ให้มาเป็นผู้นำในด้านการวิสัชนาเรื่องของวินัยเมื่อได้ตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วพระอรหันห้าร้อยองค์ก็เริ่มประชุมกันจากนั้นก็ให้พระเอระทั้งสององค์นำพุทธพจน์มาสาธยายแสดงแก่ที่ประชุมโดยประธานในที่ประชุมคือพระมหากัสสปะวางแนวการนำเสนอด้วยการซักถามอย่างเป็นระบบ คือตามลำดับและเป็นหมวดหมู่พุทธพจน์พร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวข้องแวดล้อมที่นำมาสัทยายนี้ถ้าเป็นครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองด้วยพระองค์เองแต่ในการสังคยาณาครั้งที่หนึ่งก็ต้องอาศัยที่ประชุมพระอรหันตเถระทั้งห้าร้อองค์รับรองแทน เมื่อได้มติร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องใดพระเทระในที่ประชุมก็สวดพร้อมกันเนื้อหาที่ผ่านการรับรองก็จะถือเป็นที่ยุติให้เป็นแบบแผนที่จะทรงจำถ่ายทอดกันต่อมาการประชุมเพื่อทาสังคยนาครั้งประวัติศาสตร์นี้ดาเนินอยู่เป็นเวลาเจ็ดเดือนจึงเสร็จสิ้นมีเรื่องราวปรากฏในพระวินัยปิฎกจุลวัก กำเนิดพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาด์คำสอนที่ลงมติกันไว้อย่างนี้ซึ่งเรานับถือกันมาเรียกว่าเทรวาดและว่าคำสอนที่วางไว้เป็นหลักการของพระเทระคำว่าเทระในที่นี้หมายถึงพระเทระห้าร้อยรูปผู้ประชุมทำสังขยนาครั้งที่หนึ่งที่ว่าไปแล้วนี้พระพุทธศาสนา ซึ่งถือตามหลักที่ได้สังคยนณาครั้งแรกดังกล่าวมานี้เรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทหมายความว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยทั้งถ้อยคำและเนื้อความอย่างไรที่ท่านสังขยากันไว้ก็ทรงจำกันมาอย่างนั้นถือตามนั้นโดยเคร่งครัดเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาแม้แต่ตัวภาษาเดิมไว หมายความว่ารักษาถ้อยคําข้อความดั้งเดิมที่เป็นของแท้ของจริงภาษาที่ใช้รักษาพระธรรมมาวินัยไว้นี้ได้แก่ภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคำสอนของเทราวาทจึงรักษาไว้ในภาษาบาลีตามเดิมคงไว้อย่างที่ท่านสังคยนา